50 languages. 19บเก n าดในห้องครัวอลาคุยนาคุณมีห้องครัวใหม่ใช่ไหมคะเกเตนรุนนาบากุยนาวันนี้คุณอยากจะทาอาหารอะไรคะ เกเบิลสควีน่าบุยคุณใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สทำอาหารเกเตนสควีน่าอิเล็กทริกก์หรืดิฉันควรจะหั่นหัวหอมดีไหมคะดิฉันควรจะปอกมันฝรั่งดีไหมคะบสคาปล les, les patates ดิฉันควรจะล้างผักกาดหอมดีไหมคะ b o l s g u a r e n t i l a n i a m แก้วน้ำอยู่ที่ไหน o n ai? s ó n <S els g o t s จานชามอยู่ที่ไหน o n é s l a v a i x e l l a ช้อนซ่อมและมีดอยู่ที่ไหน o n s ó n els c o b e r s คุณมีที่เปิดกระป๋องไหมคะกเตนซูนคุณมีที่เปิดขวดไหมคะกาเตนซูนอบริโดดัมโัสคุณมีที่ดึงจุกก๊อกไหมคะกเตนซนเยบาปส์คุณกำลังทำซุปในหม้อใบนี้ใช่ไหมคะกาเปาปัสลาซปาอนาเคสโตยา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 Aquí hi ha els ganivets, les forquilles i lesculleres. นี่คือแก้วน้ําจานและกระดาษเช็ดปา Aquí hi ha els gots, els plats i els t o v a l l o n s